พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ดลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่3กันยายน2560มีชื่อเรื่องว่าแม้ภายนอกจะสำคัญแต่ภายในสำคัญกว่าโลกหลานอยู่ในความสงบ มีอะไรหลวงตาหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังวันนี้กฐินอยู่ในป้ายนะดูนะลูกหลานเสดจหลวงพ่อมีแต่ชี้ให้ดูแต่ควรผู้ใดจะทำหรือไม่ทำเป็นสิทธิ์ของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหลวงพ่อหลวงพ่อมีแต่วัดชี้ให้ดู พวกเรามีศรัทธาก็ทำมีศรัทธาอยู่แต่ไม่มีเงินเออไม่ต้องทำมีเงินอยู่แต่ไม่มีศรัทธาก็ไม่ต้องทำทั้งมีศรัทธาด้วยทั้งมีเงินด้วยเออคอยทำสร้างเจดีย์ของหลวงตานะแต่วันนี้หลวงพ่อก็ได้สองสามกองนะลูกหลานนะนายบัวรองปราบคนชั่ ว, วนะ่นนะนามสคุณปราบคนชั่วนะ แต่จะเลืมปาบเจ้าของเนี่ยล่ะความสวนในใจของเจ้าของอย่าลืมปาบกิเ <c oughs> ลสราข้โทษสามโมหะจนในใจเจ้ของปาบแล้วทำมันลาบคาบเลยวะอย่าไปปาบแต่ผู้อื่นพร้อมลูกหลานขอถวายปัจจัยสมทบกองกรถิ่นวัดป่าบ้านตาดกับหลวงพ่อจํานวนสามพันบาทอันนี้ก็ ก, กองจองกรถิ่นวัดป่าบ้านตาดเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมจิตีหลวงตามหาบัว ร่วมกับหลวงพ่อนางวัฒนานามีผลและครอบครัวโรงพยาบาลร อ, อ, อพอสอตอเสียงดีจำนวนหนึ่งกองสามพันบาทแล้วก็คุณแม่จันศรีนา ม, มันนา ม, มันพอ อ, อวีระชัยนา ม, มันครูแจ่มจันทร์ นามมานะันอ่ะอันนี้ก็จองกระถินอีกสามพันบาทจองกระถินปัดป่าบ้านตาดเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีหลวงตามหาบัวผ่านหลวงพ่ออินทวายปัดป่านาคมน้อยพอ อ, อโสพลพมพลจรโอ้ลูกพ่อจินดาตัวไหนะ นางสมปองพมพลจรลูกสะใภ้พร้อมครอบครัว 3,000 ันบาทอุทิศกุศลให้บิดามารดาหรื อ, อเอาให้ได้บุญได้หลายลูกหลานแล้วก็ร่วมสมทบกระถินบันตาดกหลวงตามหาบัวนอสอปพาพรลีลาชัยและครอบครัวอันนี้กัน 1,000 บาทให้ได้บุญหลายลูกหลาน สร้างเจดีย์หลวงตาไม่ไปไหนหรอกเนื้อนาบุญหลวงตาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมามากมายหาทองคำเข้าคังหลวงพวกเราได้ใช้เงินทุกวัน เ, นเงินบาทมันมีคุณค่าเพราะทองคำหลวงตาเข้าไปอยู่ในท้องประคังตั้ง13ตันกว่าหลวงตาอายุมากแล้วหลวงตายังงกงก ง, กงนเงนิน เป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็หาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลเมืองอุดรใครบ้างที่เข้าไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลตึก10ชั้นของหลวงตาเนะี่ยแหละคันใครเขาไปตึกนั้นนะ่ะควรลำเลิกถึงพราะคุณของหลวงตานะถ้าหลวงตาไปสร้างขึ้นมาตึกหลังนั้นก็ไม่มีพวกเราเข้าไปกันนะั่นะได้เขาไป รักษาสุขภาพร่างกายม่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราและก็พร้อมกันน่ยหลวงพ่อเห็นคุณค่าหลวงพ่อก็ไปสร้างตึกเคียงคู่กันกับองค์หลวงตาพเพื่อเป็นที่จอดรถและก็เป็นที่เวลาไฟไหม้เกิดไฟไหม้อย่างไม่คาดคิดคาดฝันในตึกโรงตา ก็ระบายลงมาที่ที่นั่นหลังตึกตึกหลังนี้ที่จอดรถหลวงพ่อไปสร้างสิบชั้นเหมือนกันนะลูกหลานนั่นอยู่ชั้นล่างเป็นที่พักของพี่น้องประชาชนชาวบ้านเวลาไปเฝ้าไข้เฝ้าป่วยก็ได้ไปนอนอยู่ชั้นล่างนั่นหลวงพ่อไปสร้างให้จุดนั้นอีกสรุปแล้วก็คือ วัดวาศาสานาพุทธศาสนาไม่ได้มองข้ามกับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นให้ลูกหลานทุกคนนะในคราวนี้จะได้สร้างพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานอนุสาวรีขององค์หลวงตา ล, ลูกหลานทั้งหลายควรจะมองไปในในจุดเดียวกัน เ, เดี๋ยวได้ยังขาดอยู่เรื่องปัจจัยนะจะว่าขาดมากขาดน้อยไหมกรมมันขาดนั่นแหละ ถ้าว่าเชื่อในหลวงพ่อหลวงพ่อว่าขาดก็ต้องขาดเพราะหลวงพ่อไม่โกหกใครนะลูกหลานนะเดี๋ยวนี้มันยังขาดแต่ว่าพอหลวงพ่อบอกว่าพอไม่พอพอเจดีกับพิหาร2หลังมุมมุมแลพอแล้วตอนนเซ็นสัญญาแล้วสี่0้อยสล้านสองอันนะแต่อันหลังยาวๆในที่พวกเรามองเห็นอันนี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญา เงินยังไม่พอหลวงพ่อบอกว่าตัวไหนมันพอหลวงพ่อก็บอกว่าพอถ้าแต่ตัวไหนยังไม่พอหลวงพ่อก็บอกว่ายังไม่พอนเนี่แหละจะได้ร่วมสมทบกฐินที่จะถึงวันที่เจ็ดตุลาเนี่ยจะช่วยกันนะลูกหลานทุกคู่ทุกคนหลวงพอมีแต่บอกกล่าวคนละไม้คนละมือถ้าใครระลึกถึงบุญคุณของหลวงตาได้อ้าว ก็ทำสร้างบุญสร้างกุศลก็หลงตาอยากจะสร้างยุ่แต่ไม่มีเงินก็ไม่ต้องทำเอารวมเงินไปซื้อไปแทงรัตตเตอรี่ซะนหยยินัม่ลูกหลานได้ได้รวมเงินไปซื้อรัตตเตอรี่ไแต่จะจะรวมเงินมาทำบุญมันทาบุญไม่ได้เสียดายไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นลูกหลานนะเพราะเราไม่ได้ทำทั้งปีทั้งชาติ จากนี้ไป3ปีเท่านั้นที่เราจะสร้างนะเสร็จเสร็จแล้วก็จบลปะป่าจะไม่ได้สร้างอีกหลวงพ่อก็ถ้าไปตายหลวงพ่อคงไม่พูดอีกว่าเออสร้างเจดีย์หลวงตาเดอ้อหลวงพ่อจะไม่พูดแล้วเจดีย์สร้างที่วัด ป, ป่าบันตาดนะเป็นไม้จะสร้างที่อื่นนะและก็วันนี้เป็นวันที่3กันยายนพุท ธ, ธศักราช2560 วันนี้หลวงพ่อฉันยัหันเสร็จแล้วก็คงจะไปทอดผ้าป่าสามัุคีอีกมือนนลุนงจัดทาญาติโยมนะเพื่อหาทุนให้กับโรงพยาบาลอําเภอสังคมที่สร้างยังไม่เสร็จมีหลวงพ่อจันมีกับหลวงพ่อเล็กเจ้าคณะอําเภอสังคมเป็นประธานในการก่อสร้างและกับบริษัทเสาหลักมาสร้างตึกหชั้นให้กับโรงพยาบาลสังคม แล้วก็ทุนก็ยังทุนทรัพย์ก็ยังขาดอยู่ก่อนเข้าประสานเดือนพฤษภาหลวงพ่อก็อได้ไปทอดผ้าป่ากับคณะาศัทยา ญ, ญาโจมแล้วก็ได้ได้ไปเปาะหนึ่งแต่ก็ยังขาดอยู่คราวนี้ก็หาเพิ่มอีกคงจะเป็นละลอกระลอกจนกว่าจะแล้วเสร็จนะ อันนี้ก็คือโรงพยาบาลกสาธารณประโยชน์ไม่ใช่ของผูหนึ่งผู้ใดถ้าพวกเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เห็นคุณค่าหรอกโรงพยาบาลถ้าหาว่าเมื่ อ, อไร่พวกเราเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อนั้นละ่ะพวกเราจะมองเห็นคุณค่าของโรงพยาบาลถ้าหากว่าพวกเราตัวเองก็จริงอยู่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่พี่น้องลูกหลานละ่ะวงศาคณาญาติของเราละ่ะเราไม่ใช่มีคนเดียว ถ้าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราเจ็บไข้ได้ป่วยยังคอยวิ่งประเตอประเตหหาคนนั้นหาคนนี้นะอบพ่อให้ญ่ก็ใช่ถ้าหากว่าทางรัฐบาลเขาไม่สร้างให้อันนี้คือเงินภาษีนั่นแหละแต่ตามไปจริง เ, เงินจุดนี้ก็ถ้าเรามีพอที่จะช่วยกันได้ก็เออช่วยกันเพื่อเรานั่นแหละไม่ใช่เพื่อใครอื่นอันนี้คือคือโรงพยาบาลและก็พร้อมกนันนะ วันนี้เป็นวันที่สามวันที่สีวันที่สี่ตอนเย็นหลวงพ่อของโคงถ้าไม่เจ็บใขรไดป่วย็คงจะไปงานจะไปสวดมนต์จเจริญพระพุทธมนต์เอ่อถวายองค์หลวงปูล่ลีกุสละทะโลวัดภูผาแดงตอนเย็นวันที่สีนะถ้าใครลูกหลานผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อนะ ไปร่วมกันสวดมนต์ถวายหลวงปู่วันที่4เย็นวันที่สี่แล้วก็วันที่ห้าท่านจะรับบินธบาตชันเช้าที่วัดภูผาแดงแต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อไปแต่ตอนเย็นตอนวันที่สี่วันที่ห้าหลวงพ่อไม่ได้ไปหลวงพ่ออยู่วัดเพราะว่าวัดของเราเป็นมีงานบุญข้าฉลากกระพัดคนเต็มวัดไปไม่ได้วันที่ห้า วันที่สี่ลุงพ่อจะถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอะไรลนะุงพ่อคงจะไปพร้อมกับพระสงฆ์น้องนลงทั้งหลายจเจริญพระพุทธมนต์ถวายองค์หลวงปู่ลีพอหลวงปู่ลีอายุ95้าห้าปีแล้วนะลูกฐานปี95้าบห้าปีเต็มย่างเขาเก้าห้าเก้าสบหละ95้หปีเต็มย่างเขา้าวสหละดันั้นวันที่หนะ้าเป็นวัน ทำบุญถวายองค์ท่านครบรอบเก้าปีเต็มถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะถ้าหลวงพ่อจำผิดก็นะพวกเราลูกหลานเ็ไปสืบสอบดูไหม่96หลวงพ่อว่า9ก้าห้านะเดถึง96ก็ไม่ทราบแล้วนะดบ96หเต็มปีนี้ ย, ยังไงกันเอาเถอะนะึะยังไงยังไงกัน9น่กกว่าปีนะลงปู่ของเรา น, นี่แหละอันนี้ก็คือ ที่หลวงพ่อแจ้งข่าวให้กับคณะจัทธา ญ, ญาติโยมทุกคนแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านประกอบคุณงามความดีพูดไปที่ไหนที่ไหนหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดไปข้างหน้าเขาจริงอยู่แต่ก็พร้อมการไขย้อน ก, กลับมาหาตนเองอย่าลืมเจ้าของอย่าลืมความประพฤติของตนเอง ให้สร้างคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอันนี้แหละคือพวกเราไปควรประมาทพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไหมในโลกเนี่ยมีมากกว้างขวางทุกวันนีมีเรื่องอะไรต่อมิอะไรแต่เราได้ยินแต่ข้างนอกแต่อีกสักวันหนึ่งเรื่องของเราเนี่ยก็คงจะมีอีกเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีใครที่จะลีกลี่หนีพ้นไปได้แต่นี่เรามองต่คนอื่นพอมองคนอื่นคิดว่ามันจะเกิดแตกกับคนอื่นเท่านั้นแต่มันไม่ใช่นะลูกหลานนะขณศติทาญาติโยมนะอย่าไปลืมตนถึงขนาดนั้นอย่าไปช้าละใจถึงขนาดนั้นให้มองตนเองการสแสวงหาทรัพย์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานกับความมีความจําเป็นในการสแสวงหาแต่พร้อมการกระยาลืม คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในใจอันนี้อย่าลืมนะตัวนี้สําคัญกว่าถ้าจะพูดในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วทนะ่านว่าจุดนี้สําคัญกว่าถ้าว่าคนมีบุญคนได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้แล้วนะไปตกณัดจัตตานที่ใดคําว่าอดอยากไม่มีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง โดยส่วนเดียวถ้าว่าพวกเรามีบุญนะเพราะนั้นพระพุทธศาสนาประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านจึงให้เน้นหนักเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลไปอยู่นัดสถานที่ใดอย่าลืมเนอะเมื่อเราทำบุญทบทานแล้วก็ให้ได้กินได้ทานนะได้กินได้ทานไม่ใช่ทานคือคำนี้ไม่ใช่ได้ไดกินนะคาว่าทานทางอีสานคือว่าทานะ คือการเสียสละให้มีอยู่มีกินให้ได้กินได้ทานเอเกิดมาพบใดชาติใดไม่ใช่จะให้กินแต่ใส่ท้องตนเองอย่างเดียวนะต้องให้มีทานทานะด้วยให้ได้มีการสงเคราะห์ให้เหลือเฟือในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยนี่แหละให้ได้กินได้ทานเนอเกิดมาพบใดชาติใดในการสร้างบุญสร้างกุศลนี้ก็เหมือนกันะพวกเราได้ ทําการทํางานได้สดแสวงหาทรัพย์ได้แล้วนะเมื่อได้แล้วก็เลี้ยงชีวิตของพวกเราด้วยและเขาได้ทําบุญสเคราะห์นุเคราะห์ด้วยได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างาบารมีใส่ตุงใส่จิตใส่ใจของพวกเราไปด้วยนะอย่างที่หลวงพ่อได้ชี้ให้ดูป้าย น, ะนี่เราป้ายหลวงตาได้สร้างพระเจดียหลวงตาเดอ้อสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเดอ้อแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้บอก ไม่ได้บังคับไม่ได้บีบปลาทาเลนตอันนี้เปลี่ยนแต่ชี้ให้ดูเมื่อกับบอกไปชี้ขุมทรัพย์อยู่ตรงนั้นเนอะขุมทรัพย์อยู่ตรงนั้ น, นถ้าไปขุดแล้วจะรวยเนอหลวงพ่อมีแต่ชี้เท่านั้นเองแต่ถ้าพวกเราจะไปไม่ขุดไม่เชื่อในหลวงพ่ อ, อแล้วก็ไม่ขุดไม่ได้ใส่ใจอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของพวกเราท่านทั้งหลาย แต่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วเออหลวงพ่อบาาอกว่าเป็นขุมทรัพย์นะเนยถ้าเราไปขุดนะโลงแรงขุดเอเราก็ได้ทรัพย์มาในเมื่อทรัพย์มาแล้วหลวงพ่อเองก็ไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนจากพวกท่านในเมื่อได้มาเออเอามาแบ่งให้เราด้วยนะหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอีกในเมื่อพวกเราไปขุดแล้วเป็นสมบัติของพวกเราเพียวๆ เ, เลยใชเป็นของของเราเอง นี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อมิตรชี้บอกว่านี่การสร้างบุญสร้างกุศลองคหลวงตามหาบวัวไม่ผิดพระไม่ผิดหวังนะลูกหลานเออเพราะหลวงตาเป็นพระที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตามหลักธรรมคำสอนวงหลวงตาเองก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของท่านพวกเราในฐานะศิตญาณจิต ท, ทั้งหลายที่เฝ้ามองดูท่านในการดาเนินชีวิตของท่านเราก็เชื่อมั่นว่า องหลวงตาเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดมาคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอเสมอปลายไม่มีการขาดตกบกพร่องลวงตาหลังจากนั้นก้ท่านก็จุตินิพพานไปเพราะ น, นั้นลูกหลานทางไลยอยากจะทำบุญสร้างอนุสรณ์สถานหรือว่าสร้างพิพิธภัณฑ์กับองค์หลวงตานะไม่ผิดหวังนะลูกหลานเนะ้ออันนี้หลวงพ่อมีแต่พูก พูดกล่าวให้กับพวกเราชี้นําให้กับพวกเราถ้าลุงพ่อไม่ชี้นําชี้แนะไม่บอกไม่กล่าวลูกหลานก็คงไม่รู้นะในเมื่อไม่รู้เราก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ทําไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลแต่นะลุงพ่อเนี่ยเคยอยู่กับท่านมาเคยดูแลปณิบัติท่านมาได้คบค้าสมาคมกับท่านมาได้ฟังธรรมเทศนาได้ศึกษากับท่านมา หลวงพ่อเองก็มั่นใจจึงได้มาบอกมากล่าวให้กับพวกเราคณะสัตย า, า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานไ ด, ได้รับผู้รับทราบและทําคําสอนของหลวงตาก็มีเกลื่อนไปหมดนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเอามุมมุมมา ม, ม, มเอาเทวดาที่ไหนก็นไม่รู้ที่มองไม่เห็นเอามาบอกกล่าวให้ลูก ห, หลานไม่ใช่ทั้งเป็นรูปธรรมด้วยทั้งเป็นนามธรรมด้วย นามธรรมคือจิตใจของหงตาเนี่ยเป็นยังไงที่เราไปอยู่ใกล้ท่านเราได้สังเกตท่านรูปพระธรรมที่ท่านแสดงออกมาก็คือพระธรรมเทศนามีมากหลากหลายในธรรมเทศนาของท่านมีทั้งคดีโลกมีทั้งคดีธรรมมีรูปแบบทุกอย่างมีทั้งศีลสมาธิปัญญา สมรถะและวิปัจนาวิธีการดำเนินเดินมักเดินมัศเข้าไปสู่มักผลนิพพานทำอย่างไรถ้าเราศึกษาแล้วเราจะรู้ได้เห็นได้ในหลักธรรมคำสอนที่องค์หลวงตาได้บอกได้กล่าวเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงมั่นใจเชื่อมั่นจึงได้บอกกล่าวให้กับพวกเราคณะทายาโิโยมทุกทุ ก, ท, ก, ท, กท่านที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะี่นะ แต่ว่า่วนจะพิจารณาอย่างไรอันนั้นเป็นสิทธิ์ของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนท้าวว่าพระพุทธเจ้าพูดจริงอยู่แนะนำจริงทุกอย่างด้วยความเมตตาสงสารด้วยความสัตด์จริงแต่ว่าสัพรพะสัตทั้งหลายไม่ฟังพ ร, ระพุทธองค์หมดความสามารถเพือนกันสอนได้เท่าที่จะสอนที่บุคคลที่เชื่อถือได้เข้าสู่สวรรค์นิพพานไป คนที่ไม่เชื่อเออปล่อยปะปล่อยไปให้พระพุทธศาสนาให้พระพุทธเจ้าองค์องค์งต่อไปสอนแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวต่อไปอันนี้แหละโลกอนนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราจะไปทุกไปทุกใจกับคนที่ไม่เชื่อเราก็ไม่น่าจะถูกเราจะไปดีใจหัวเราะห้แห่แ ห, ห่ทั้งวีทั้งวันกับคนที่นับถือเรื่มใส่กับเราก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันแต่หน้าที่ของพวกเรา อยู่ในสถานะไหนที่เราจะต้องพูดจะต้องกล่าวจองต้องแนะนําสั่งสอนอันนั้นเป็นหน้าที่นะบอกกล่าวแต่ส่วนที่จะปฏิบัติตามหรือควรจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นเป็นสิทธิ์ของพวกเราทุกๆกท่านนะให้พวกเราทุกท่านใช้สติใช้ปัญญา ใ, ใช้บารมีของตนเองนะั่นแหละเมื่อทําไปแล้วกนะันะเป็นบุญเป็นกุศลมันเราจะไม่ใช่สร้างแต่ทางนอกนะลูกหลานคณะจตหาญาิโยม แต่นี่มันเกี่ยวเนื่องกันถ้าหากว่าคนที่ไม่มีทานไม่มีการเสียสละจะเป็นผู้รักษาศินจะเป็นผู้นั่งสมาธิภาวนาจะภาวนาให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารมันเป็นไปไม่ได้มันเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่เนี่ยแหะตั้งแต่เริ่มทานเมื่อเริ่มมีทานมีการเสียสละจากนั้นก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาเป็นผู้มีสินจากนั้นเป็นผู้มีศินแล้วก็เป็นผู้มีจิตใจที่มั่นคง มีสมาธนะิในเมื่อมีสมาธิดีแล้วนะก็นั่งกันกรองดูเลยคพอนั่งเรานั่งบนยอดเขาแล้วนะจ๊ะเนี่ยนะ เ, เมื่อเป็นมีสมาธิแล้วแล้วกับปัญญานะเราขึ้นบนยอดเขาแล้วมองดูเนละอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอนะ่ะกันกรองไต่ตรองด้วยเหตุและผลเลยพอเรามองเห็นที่ต่ำได้เพราะปัญญาของเรามีจากนั้นใจของเราก็นนะเห็นตามความเป็นจริง เมื่อเห็นความตามตามเป็นจริงเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะเนี่ยนะสรุปแล้วก็คือไปจากทานการอยู่ด้วยการเสียสละและก็ศีลอยู่ในกฎระเบียบสมาธิเป็นผู้ตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้ในกองสังขารเรื่องทั้งหลายทั้งปวงคือปัญญาวิปัสสนาในเมื่อเรามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะ เหมือนราบไฟรู้แล้วว่าเป็นไฟล้วจะไปจับทำไมรู้แล้วมันเป็นโคลนขี้รงขี้โคลนเราจะไปยุ่งทำไมนี่แหละอันนี้คล้ายๆผมรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วใจก็ไม่ยึดมัน่นถือมั่นจิตใจเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุทธนะลูกหลานนะมันเกี่ยวเนื่องกันมันเกี่ยวกันนะ การอยู่ด้วยกันตั้งแต่เนี่ยตั้งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้อยู่เนี่นะอย่างที่เหตุเทนเ่เสียสละมีการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างภาวนาบ้างามันไปตายเต้าคนไปจนถึงเป็นมักถึงผล เ, เป็นอระยะบุคคลในที่สุดนะเอาวันนี้ หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรเนตร น, ะนีนะาแต่อย่าลืมนะวันที่ห้านะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์บอกประกาศให้ทางสายการบินของพวกเรานะวัดของเรามีสายการบินสีสายนะลูกหลานนะ <laughs> โอ้มีเครื่องพูงพอ่อมีเครื่องบินหมวมีสายการบินบินอย่างบินธบัดพวกสายการบินธบาดมีอยู่สี่เสน้นมีอยู่สี่สายนะสายการบินของหลวงพ่อนะปล่อยพระออกไปตอนเช้ามีอยู่สี่สายสายบินธบาดสายบินนะแล้วก็ให้บอกพี่น้องจัดทา ย, ย่าดโยมแต่ละสายบอกประกาศให้ตามให้ผู้ใหญ่บ้านบอกตามสายนะเออ วันที่หเนอใส่บาทรอบสลาลูกลานเนอร์แต่ผู้ใดมาได้ไม่ติดขาดก็มาสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศสวนกุศลให้กับบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นประเพณีเป็นวันศาสตร์ของอีสานเวลเป็นเป็นวันฉลากกพัดวันเดือนเกเดือน9้าดับนะั่นคือวันหนึ่งคือเดือนเก้าดับนะคล้ายๆกับว่าทําบุญครั้งหนึ่งแล้วล่ะแต่ ถ้าผู้ใดพลาดพลาดไม่ได้มาวันที่เก้าติดธุระพ่อแม่เจ็บไข้ลูกหลานเจ็บป่วยหรือติดธุระมาไม่ได้เออเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยวันเดือน10เพนเนี่ยถ้าหากว่าขนาดเดือน10เพนเขาได้ ย, ยังพลาดไปอีกกันนั้นปีหน้าบัดเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราเนี่ยโอ้แต่แต่แต้มูจะให้ปีหน้ากูจะให้กินข้าวเล่ น, ลลนเนี่ยลูกหลานจะว่าอย่างนี้เนี่ย พวกภูมะลุลูกขะาเทวดาพวกที่คอยกินข้าวกับลูกกับหลานอุทิศส่วนกุศลให้เพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายต้องใส่ใจนะอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างวันศาสตร์ของจีนรันศาสตร์ของจีนก็อีกไม่กี่วันนี่มั่งวันที่ที่เนี่ยเป็นวันข้าวฉลากกรพัด เป็นวันศาสตร์เป็นวันศาสตร์ของอีสานของเราเดือนเก้าดับเดือนสิบเห็นมีอยู่สองวันนะลูกหลานนะต่อเ น, นี่อไปพระสงฆ์อนุโมทนา